ไม่ไปสมมดินะอย่างเราเดินมันใครๆว่าเราเดินมันมันไม่สุดอยู่อย่างนี้มันไม่ไปเนี่ยเออ่ยเวก็กลับนะในความรู้สึกนะกระทึงถึงจิตของเราเด็กก็นํามาแต่เมื่อถึงที่นี้ไม่มีที่ไปอีกจบอันนี้อันหนึ่งอันที่สองน่ะมันเป็นอย่างนี้เดินมันมันมาชนนี่เลยเดีวก็กลับ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 นี่อะไรอะไรเนี่ยอะไรจะชั่งมันเถอะนานๆมันก็อยู่ไปนานๆมันก็โว้กมันตุ่มนี่อะไรมันมาทวงเรื่อยอย่างนี้ผมรู้สึกในใจใช่ใช่ใช่ที่มันเป็นมาแล้วในสมาธิแต่ธรรมดาอยู่ปกติมันคงมีความรู้สึกอยู่อย่างนี้จิตใจมันมาวุ่นวายอย่างนี้มันคืออะไรมันมาท่วงอยู่บ่อย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 ท่านไปอยู่ยอดเขาปูงกาท่านมีนเนียนอยู่สององล้วจะมีพระองค์เยอะกระัามันน้อง <No. S 1> ยอดเขา mm hmm. ม่เคยเห็นท่านหรอกแล้วก็มองเห็นว่าพระองค์อยู่หน้าจแก ท่านยัน ม, มีอย่างใดก็ต้องมีอย่างหนึ่งแหละท่านเพิ่งมาอยู่อย่างนี้นนเนี่ยทำยังไงท่านจะดีอไรจะดีเป็นธรยุทธนะ่มัน้ขึ้นขึ้นไปกับท่านพอไปถึงท่านดีใจเนี่ยท่านก็รู้เหมือนกันคือมก็ไปนะเนี่ยท่านจะพบพระอย่างนี้ท่านก็รู้จักนะเหมือ น, น, กกนกัน ตอนกัาคืมา น, น, าา น, า น, นมันมาพูดถึงการปฏิบัติกันทาารย์เจตจันรมั่นรุ่นรุ่นทุศิษย์อาจารย์มั่นรุ่นอาจารีบตรโศกกลาบนี่แหละเป็นเพื่อนกันเก่งเขน่านเก่งเลยแกเข้มามาถามว่ท่านอาจารย์นี่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 ท่านมาพูดถึงเรื่องของท่านให้ฟังในคราวนั้นท่านเดินกำลังทำเพียงเดินเดินแต่คงไปหยุดอยู่กำหนดในร่างกายมันจมในในดินเลยจมลงไปรู้ไหมนะรู้นะรทำไมไม่รู้รู้อยู่มันก็จมลงไปกำหนดมันก็จมลงมไปด้วยด้วย กำหนดรู้ว่ามันจะเป็นยังไงก็ให้มันเป็นไปชมไปนี่ชมมันถึงที่สุดแล้ว ท, ที่ไหนไม่รู้จักถึงแต่วา่ามันถึงที่สุดมาแล้วมันก็ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแี่นดินยึดตรงนี้ขึ้นมาไม่ม่อยู่นี่ขึ้นไปโน่น น, นี้แล้ว <c oughs> <c oughs> ขึ้นไปโน่ น, โนก็รู้มันอยู่แกว่า อาจารย์หรือเกิดว่ามันเป็ยนไปได้ยังไงนะทีนี้ก็มันขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปถึงปลายไม้นลยร่างกายแตกไอรมไส้ไส้ใหญ่ไส้น้อยเนี่ยมันไปติดอยู่กิ่งไม้เป็นพวงท่านอาจารย์ไม่ใช่ฝันืไม่ใช่ฝันนะ ไม่ใช่ฝันเราฟังดูมันก็แปลกเหมือนกันนะนี่คบว่างันเองนี่ถ้าเราไม่รู้มันนะมันมันจะอาเราเป็นอย่างอื่นไปมันเป็นจริงจริงอย่างนั้นอืมมันเป็นจริงจริงอย่างนั้นในเมื่อ น, นั้นมันก็เชื่อว่ามันเป็นจริงจริงอย่างนั้นอืมเราเดี๋ยวนี้เราก็รู้อยู่นะเห็นอยู่ว่ามันเป็นอย่างนั้นฉันบอกว่างี้ขนาดนี้แหละ ท่านจะไปพูดเรนีนิดอย่างอื่นขนาดนี้มันเป็นได้อย่างนี้ถ้าว่าคนร่างกายมาแตกปุ๊บมันจะมีความรู้สึกอย่างไรนะไอ้จริงไม่มันใช่มันเป็นพวงมันพันต้นไม้อยู่หนึ่งเออไอ้ความรู้สึกตรงผมก็ดูอยู่มันใส่ออกมาก็รู้ใช่ร่างกายมันแตกก็รู้ร่างกายมันแตกไอ้สิ่งที่มันดูมันมีอยู่ร่างกายมันก็แตกของมันไปใส่มันก็พันของมันไปอยู่อย่างเนี้ยพอเห็นมันเป็นอย่างนี้เอ <C ue k> มันเปล่นได้แต่ก็มั่นเรียบเกินไปแต่เข้าใจว่าอันนี้คือนิมิตมั่นอยู่อย่างนี้นอันนี้คือนิมิตเชื่อมัน่นในใจว่าไม่มีอะไรจะทําลายเราได้อย่างนี้เมือมอม่อเมื่อชินชินนั่นหนรือกำหนดนนดูเมื่อดูแล้วก็ดูเข้ามา ด, ดูดูดูดูมาถึงจิตขณะถึงจิตมันอยู่ตรงนี้ปุ๊บมันก็หายมอนี้ก็หายไป นนะะเกี่ั อ, อไรอผมก็พูดว่าอันนี้ที่นี่ผมมากราบอาจารย์ผมจนปัญญาอะไรดิเนี่ยผมไม่ใช่เป็นอย่างนั้นอีกมันเป็นอีกแบบหนึ่งคล้ายๆว่าเราเดินสะพานไปอย่างเงี้ยคล้ายๆสะพานนี้มันดูไปในแม่น้ําอย่างนั้นนะแล้วก็เดินไปเดินไปเดินไปก็ไปหยุด ไม่มีที่ไปอีกแล้วจะทำไงอย่างนี้เนี่ยทหารกลับมาบางทีมันก็เดินก็ไปอีกมันเป็นในสมาธินั่นเอะไม่ใช่ว่ามันเป็นอยู่เฉยๆนะไปถึงตรงนั้นเนี่ยก็มันจบอยู่อย่างเงี้ยเดินไปเงี้ยมันอยู่เนี่ยมันไม่มีที่ไปเลยมันจบอยู่ตรงนี้นะกลับมาอีกกำหนดไหมันมันไปไม่ได้บางทีก็กำหนดไปบางทีมันมีอะไรขวางอย่างนี้ มาตามทิศไม่มีที่ไปเลยมันเป็นนานนะครับในใจเนี่ยมันมันจนมันจนมีความรู้สึกอะใครเลยมาช่วยเราเนอแล้วก็สวงใจเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วจะต้องทำอย่างไรอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นมาก็าเราเรายังไมัมนเป็นไม่จริงถึงขนาดนี้นะทํ า, าไปพิ่เจรนาไปอันนี้มันคืออะไรธรามชาาติ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 คำนดจิตรู้เมื่อมัเปลี่ยนเช่นนะั้นคนรู้สึกว่าเป็นจิตจะมันเป็นยังไงอะไรให้รู้จักมันเป็นอะให้รู้ขึ้นมาถ้ามันรู้จิตเป็นเดีย๋ยอะมันก็เปลี่ยนตรงนี้นเปลี่ยนสัญญาเศรษฐายาว่าสัญญาของเด็กกับสัญญาของผู้ใหญ่นะมันก็เปลี่ยนออกไปเป็นสัญญาของผู้ใหญ่อ ย, อย่างเด็กอย่างเงี้ยมันเคยแก้มันมันมันมันอยากจะเรียนของอย่างนี้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 แต่มันเป็นทุกอย่างก็กช่างมันเถอะเราอย่าไปสงสัยมันอย่าไปสงสัยมันอันนี้อย่าไปสงสัยมันเมื่อเรามีความรู้สึกอย่างนี้เดี๋ยวมันก็ค่อยหมดของมันไป mm hmm. มันจิตตสังขารไม่มีอะไรต่อตายถ้าเราต่อไปเห็นเป็ดเดียวดูไปเห็นเป็ดเป็ดกลายเป็นไก่เนี้ยไปดูตามไก่ไก่เป็นหมาดูหมาไปเดี๋ยวกลายเป็นหมูเลยวุ่นไม่รู้จะขึจ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 เพื่แล้วมันเราไม่ีความรู้สึกอีกแล้วเนี่ยเมื่อมันเป็นเช่นมาแล้วก็น้องผ่าทิ้งจิตของเราดูกำหนดตรงนั้นพอที่เวลาแก้ตรงมันก็ค่อยๆเกิดปัญญาตรงมันแก้ตรงมันไปเองตรงมันมันมีช่องตรงมันไปอย่างนั่นท่านบอกว่าอันนี้อันดีใด่ว่าอนาคตต่อไปนัาน่ะฉันว่าก็ทํานองเดียวกันนี้ แต่มันจะยิ่งหย่อนประกันก็ได้มันจะดีเลือดมันจะดีประเสริจตัวช่างมันเถอมันจะต้องเป็นอย่างนั้ น, นอันนี้ให้ทําความเข้าใจไปในใจจริงๆอย่างนั้นไปปรึกษายัางนี้ดูมันจะสามคืนคุยกันนี้นั่นนะเราลงจากภ ก, กเขามาระวังเด้อบางคนมันก่อนไม่มีอะไรครับ สบายไม่เป็นทุกข์เลยนะไม่มีอะไรที่จะขัดข้องสบายใจก็สบายใจก็สบายไม่ดีแล้วนะท่านบอกว่าอันนี้มันคือปุพ ก, กรรมของเราเ น, นี่ยมันก็ต้องสู้กันในเวลานี้เวลาจิตมันรวมนี้มันก็มาแย่งมันดังตรงนี้ไอ้สิ่งที่มาแย่งมันไปใช้มันของรายอย่างนี้ของดีจะมีนะ ใจเราเวบวานไปชอบมันก็มีนะไม่ใช่นะท่านบอกว่านั้นของลายมันน่ากลัวก็มีนะน่ารักก็มีเป็นอันตรายแต่เมื่อ น, นะถนนยาใบไม้มันมันเลยอันนี้อย่างดีมากคุณเป็นหนึ่งก็ลงจากภูเขามาแล้วก็มานั่งกำหนดเวลาที่จะเดินนะหลายหลายอย่างหลายหลยวันนะเออมันก็ดีก็เลยคิดว่าเอเอคน จะเป็นภาวนาคนเดียวนี่มันก็ได้หรอกเทว่าบางคนบางคนมันช้าไปก็มีเตรียมไปอมว อ, อ, อมวนๆอยู่ตรงนั้นอ้อมนีน่ไม่ตัมพัสทางใจของเราใครมีใครไปร่องบอกที่ทางมันบอกบิ่งไปเลยพิจารณาไงมันมีทางที่จะพิจารณาอย่าง น, นีน้ทุกคนต้องเป็นนี่ ติดมันติดสักนักอันนี้ก็ไป็นภาษาหนึ่งกนันโน่นเป็นยุนค อ, อินเดียยังเอามาอยู่นี่จับมาอยมันมันท่นไม่จับมันมานรอครับมันมันมีอยมันหรืมันลึกขึ้นมามันเป็นครับือมันไน่ขาดอันนั้นนะเรื่องจิตเรื่องจิตเนี่ย ไปทำมันเกินควรไะไมันมันเสียกษัตริย์เหมือนกันเป็นบ้ามันเป็นบ้าแต่ไอคนเป็นเฉพาะจิตนี้มันไม่ใช่มันแก่ยังไงทํามันเป็นได้ท่านอาจารย์เจ้าคุณอไคอครูท่านในเด็กเด็กนัก เ, เด็กเด็กเป็นนิ่มมาบวช ไม่เคยฝึกกรรมฐานมากรรมฐานฉันหรืท่า น, ทนก็ไม่รู้อาจารย์ไม่เคยฝึกกรรมฐานตรงสี่ไปฝึกกรรมฐานมามันเป็นยังไงอาจารย์ก็ไม่รู้เมื่อฝึกฝึกมากเป็นเดือนเนหนึ่ยหนึ่งมันเกิดโทษมากนี่ตรงนั้นเกิดเทศอะไรตอนเพศเนี่ยเวาเราฟังอย่างที่แม่มันหนังสือมันไม่เรียนเนี่ยมันพูดถูก เปี้ยอะไรมันอัศจรรย์เลยเราฟังมันพูดพูดเราฟังมันก็ถูกเลยเราเข้าใจว่าหมอนใ้เป็นพระอรหันต์มันงเี้ยเป็นอย่งี้ยมันเทศถูกทุกอย่างแล้วฟัง่ะมันชาติเพื่อนปาดเกินไปก็เน่อาจารย์ไม่ได้ปฏิบัติมาไปเป็นเนนู่นไปเปานนี่ปฏิบัติเนี่ยเรคิดว่า เนี่ยนี่มันเกิดปัญญาแล้วเนี่ยมันมีปัญญาแล้วมันจะพ้นจากที่เย็กแรงเท็จถูกต้า อ, อย่างคนก็จฟังอีกวันหนึ่งตอนกลางคืนตอนเช้ามาให้เราเชื่อผูกคอนแฝงเนี่ยโนไหม้ตายอ่ะอจะโอ้บางคนเป็นบ้าเว้ย <laughs>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 ไม่เป็นประโยชน์ไงอยู่ไปก็ไม่เห็นกินประโยชน์เลยมือนโนนีงตายดีกว่าวันไหนก็คิดอย่างนั้นไม่เห็นเป็นประโยชน์อะไรตายดีกว่าวันไหนก็คิดนว่ามีประโยชน์อะไรคนตายดีกว่ามันก็ทำลายเจ้าของเรนแน่นอนมันเชื่อไอ้ความเชื่อนี่ทําลายชีวิตเจ้ของได้กล้าทำ ไปในทางผิดได้มุกะผิดมากแต่ผมเห็นว่าตามความคิดผมนะแต่ว่าจะไปเอาพิญยามาเนื้ อ, อไปเอาอะไรมาเนื้อพอจิตสงบแล้วพอเราพิรณาสังขารร่างกายเป็นปัจจุนเอาเอ า, เอาตรงนี้คิรณาให้มันเป็นวิปัสสนาไม่ต้องตามมันไปถึงโน้น แวะทางนั้นทํานิพพานาตรงนี้ให้มันเกิดปัญญาให้รู้เศร้าสริงที่มันคือดับอย่านี้มันก็ไปได้เท่นั้นบางคนมันคิดอย่างไงน่ะจะทําสมาธิให้มันสุดขีดมันเะอะจะรักษาชีวิตมันสุดขีดมันเถอะจะทําสมาธิมันสุดขีดมันมันจุดยงจบตรงไหนก็ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลนก็ไม่รู้เรื่องเัน ไอ้ความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะไม่ต้องยํำอะไรมันมากมายหรอกคนที่มีปัญญาแล้วนะพอจว่าเราเพิกถอนสมมุติที่เขาสมมุติกันเนี่ยเพิกถอนมันดอกนะให้มันหมดให้มันเป็นมิมุตนะ วุ่คือมันพ้นคือมันว่างจากสิ่งสมมุตินั้นสิ่งสมมุติว่าเป็นนั้นแต่เับเพิกสมมุติอย่มันเห็นตัววิมุตต์อย่างนั้นมันพ้นจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้อันนี้มันรู้จากจิตของเจ้าของไม่ต้องตามอะไรมันไปนมากมายต น, นี้เท่านี้ก็พอแล้วปัญหานี้มันยุ่งหลายครับบางคนก็ทำยาก คิดจนเกินไปใช่ไหมได้ไม่ถูกเรื่องเลยคิดว่าจะทํำมากๆแต่แต่มันดีอะไรมันดีทั้งหมดเป็นมันมากยังไงมันไม่รู้จักว่ามากน้อยมันเป็นอย่างไรสมัยกันก็คนคนเศรษฐีกับคนจนมันดีเศรษฐีมันดีมันดียังไงคนเศรษฐีมันดียังไงนี่คนจนมันจนยังไง คนที่สุดในเมือรวมมันจะลกไปแล้วมันก็เข้าปันเัรษฐีคนจนมันก็เต่าปันน้นน่เองแต่คนที่สุดมันแล้วม่อต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็มันกันฉันนั้นอุซานี่มันจะต้องไปพูดกันทุกวันผมไม่เคยยินทีน่เคยมไม่เคยในโอกาสพูดดับลงพอ้อง ม, มาหาก็มีคนหลายนะค<น>่ะคำสาค็งจะ กลายก็ยากเหมือนกันก็ไม่พอใจเองแล้วริงเราเอหมือนกันแกล้วอฟ้ามันไปดิยกันเดี๋ยวผมจะหาโอกาสลุบอที่พูดมือกี้นี้ว่าให้ทำจิ แค่สงบพอสมควรแล้วก็พิจารณาสังคานอันนี้การพิจารณาสังคานอย่างนี้ที่ไปยินองค์พ่อพูดไหนครั้งแล้วเป็นตนพิจารณาอาจารย์สามสามจุดสอง 32. อันนี้ใช้สัญญาคือความผิดความตรงแดงมันสามารถที่จะให้เกิดการโฆษณาจริงได้ใช่ต้องใช้มันก่อนต้องใช่อันนี้มันก่อนเดิมมันก่อนอืม ถ้าหากว่ามันตามความเป็นจริงมาเรื่องร่วมรู้สึกนึกคิดทางนี้ไม่ใช่ท้งนั้นเออไม่ใช่ทั้งนั้นครับแต่พูดไปถึงโน้นมันไม่ใช่ความนึกคิดคิดดีคิดชั่วคิดไม่ใช่ทั้งนั้นอืถ้าใช่มันจะหมดหมันต้องทำไง ม, มันหมดอันนี้แต่เราคิดให้คนฟังเราพูดในคนพูดใ้เด็กฟังเรื่องทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าความเป็นจริงถ้าถึงกีสุดแล้ว ไม่เหลือครับอันนี้มันไม่เหลืออือย่าตามสังขารอย่าตามความปรุงแต่งเราเห็นสังขารด้วความปรุงแต่งมาเป็นตัวปัญญาเราก็วิ่งเข้าไปเรื่องยเรื่อยมันเป็นสังขารทั้งนั้นเลยไอ้ความรู้อันนั้นก็ไม่ใช่ตัวเรามันกันทิ้งมันเหมือนกันเนี่ยทิ้งมันเหมือนกันรู้จักวิญญาณนี่ก็สักว่าวิญญาณไม่ใช่ใส่บุคคลตัวตนเราเขาเหมือนกันทิ้งมันเหมือนกันอย่างนี้เงี้ยมันหมดหรือมันหมดอย่างนั้น คนก็ะทำเมื่อทิ่มเมือเจ้าอะไรอีกองเนี้ยไปอีกแล้วมันลำบากนะ อ, องอดครับทั้งหมบพื่อสุวันรไม่ต้องทำแบบขนาดไหนอพอพิจารณาได้ไม่้งองได้พอมีสติพอพิจารณาได้ยึดยึดยึปบจชิบังนึกว่าใช่ไมืไ่อใดคิดอดีตอนาคตคิดอดีตอนาคตได้ แต่เราคิดไม่เอาจริงเอาจังกับมันมันต้คิดทุกอย่างอ่ะแหละแต่ไม่เอาจริงเอาจังกัมันมันเรื่องความคิดออย่างงั้นมันเดืองความคิดถ้าถ้าความิดถ้าความคิดไม่จริงอย่าไปตามมันเลยอเรื่องความปรุงแต่งถ้าตามเร่ความปรุงแต่งมันมีเรื่องเสมอไปแหละมีนจะหมดตรงนั้นมันหมดจิตนี้ก็สักว่าจิตเนี่ย ไม่ใช่ใจปุคคลตนตนเราเขาเรียกว่าจิตานุปัสสนามันย่ใช่ของเอาไว้นั่นอืึสุขนี่ก็สักว่าสุขทุกข์ก็สักว่าทุกข์มันสักแต่ว่าเท่านั้นเนยถ้าไปเห็นตรงนั้นนะมันส่งถึงนั้นนะมันสงสัยมันก็ไม่มีอะไรแต่นั้นเนี่ยคือการพิจารณาอย่างนี้ที่ปกติพูดมันเป็นความพิจารณาจริงๆไว้ครับที่ใช่สังขารใช่ความคิดแก่ความคิด แค่ความคิดแจ่มว่ามันเห็นมันเห็นนอกเหนือความคิดออกไปอีกตรงนั้นเชื่อเครือคื อ, คอมันไม่เชื่อตามอาการนั่นต่อไปนะ่ะเข้าใจไหมอืมเอ้ความรู้สึกเดียวก็สักว่าเป็นความรู้สึกเท่านั้นอืมอืไอ้คือตัวนนั้นมันคือตัวนั้นอ่นนนนะมันไม่เกิดไม่รับอยู่อย่างนั้นมันเป็นของอยู่อย่างนั้นอืมมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นคือคือเขาเรียกวา่า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 ไอ้จิตนี่มันเกิดมาจากอะไรเนี่ยเ้าจึงกำหนดมาจิตจิตมัเกิดแล้วมันดับมันเกิดแล้วมันดับมันเกิดแล้วมันดับมันเกิดแล้วมันดับจิตนี่างนี้อันนี้มันไม่ใช่ดวงจิตที่มันเกิดดับที่อย่างเนี้มันเป็นความรู้สึกอันนึงไอ้สิ่งทั้งหลายตอนที่มันเป็นความจริงนั่นมันไม่เกิดไม่ดับของมันมันจะอยู่อย่างนั้น แต่สิ่งนี้มันไปผ่านกันเป็นเรื่องที่เกิดดับแเรามาเรียกสิ่งที่นี่มาว่ามันเป็นจิตด้วยฐานที่สมมุตดถ้ามันเป็นฐานที่สมุ็มาเชื่อจิตเจ้าของมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้เพราะจิตอะไรมันเพราะจิตเพราะจิตเพราะจิตไอ้จิตมันมีมันมาจากไหนอีกเล่างนี้ะเชื่อใจจิตมาหนีนานเนี่ยมันไม่สบายเลยนี่เใช่ไหม แต่ครั้งแรกก็รู้จักอันนี้อย่างถูกขังตาเรื่องของจิตแว่าความเป็นจริงมันก่อนมันมีอะไรมันหมดมันว่างนั่นแหละมูดยังไงมันว่างไอ้ที่จิตที่มันเกิดมาอาศัยอยู่บางทีมันมันมันไม่เกิดไม่ดับอะไรเบางว่าที่มันเกิดมันดับคืออาศัยสัญญาสังขารความปรุงแต่งเราเห็นว่าเออพิจาณาเลยอนนี้มันเป็นสัญญาอเนี่นเอออันนี้มันเป็นปัญญาโดยมาจากบาสังขารนี่เป็นปัญญา ไม่ใช่ปัญญาแท้จริงถ้าถ้าปัญญาแท้จริงมันหมดเรื่องมันหมดเรื่องมันดู้ะมันมันมันหมดเรื่องมันหมดเรื่องแต่ไอสังขารความปรุงแต่งมันมีอยู่แต่เราไม่ตามมันไปแต่เราไม่ตามมันความรู้สึกรู้มันแต่เราไม่ตามมันอันนั้นนี่ใช่ทางแล้วมันดูอยู่จากนี้แต่เราจะ มาหาจุดนี้ทำยังไงนะอะไรู้จุดนี้ที่เป็นจิตแท้แล้วก็ตามที่จิตของเรานี่ได้ก่อนเออตามที่จิตของเรานี่เห็นว่ามันไม่แน่ไม่เที่ยงเออให้มันเห็นชัดของมันนี่มันมันมันไม่มีที่เอามันก็วางอันนี้อืจิตเรื่มันก็วางจิตอันนี้รู้เรื่องของมันมันก็วางจิตอันนี้หมดจิตที่จะต้องปรุงแต่งมันแล้ว แต่มันก็ไม่ได้สงสัยอะไรทั้งหลายเหล่าเนี้ยอือันนั้นแสดกว่าไอเตียียาชื่อมันขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องสมมุติบัญญัติขึ้นมาถึงนั้นสมมุติให้คนรู้จักธรรมชาติอันนั้นมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นอืมอย่างที่มันเป็นพืชที่เราไอตัวเียมันบนอยู่ข้างบนนี่ไอตัวนี้มันเป็นพืชมันเป็นไม่เกิดไม่หลับมันเป็นพืชอยู่อย่างนี้ ตัวที่เกิดอึืนมันยิ่งอยู่ข้างบนก็จะบอกนี่เป็นคิดมันเป็นสัญญามัอันเป็นสังขารมันพูดถึงงังยงลูกเวทนาสัญญาสังขารนี่ไม่มีหมดจ้ะมันมีโดยฐานจิตสมุติลูกเวทนาสัญญาสังขารเกิดเรี่ยวหลับไปมันไม่มีดับอในคําที่ พระสารีบุตรเรียนถามพระปุณณมันตนีเคยได้อ่านไหมท่านจะออกไปธุดงข์ควัดอาจารย์ก็มาสอนอย่งเดินธุดงค์ให้ฟังท่านภาษารีบุตรท่านได้ถามลูกจิตท่านมาพระปุณณมันตรีถ้ามีท่านเดินธุดงไปนะนะถ้ามีถ้ามีคนมาถามท่านปัญหาท่านว่าท่านพระปุณณมันตรี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 อันนี้ท่านสอบถามลูกศิษย์ท่านที่จะออกเดินทำประวัใช่หลือไมทนี่แล้วเราถามที่ว่าลูกเวีนาสัญญาสัญการยังเกิดเดีดับไปเข้าใจเพียงแค่นี้ก็หมดมเข้าใจแล้วเอาไปพิจารณาให้มันเกิดปัญญามันชัดก็ไปนะไม่ใช่คือเดี๋ยวดับไปเฉยๆนะไม่ใช่อย่างนั้นต้องพิจารณาไม่ใช่จิตผลในจิตของเจ้าของจง แต่ว่าเราก็เป็นอย่างนั้นเกิดได้มันดับไปไม่มีความสุขทุกข์ตามมันเลยไม่มีความยึดมัน่นถือมันมันเลยอย่างนั้นให้มันเป็นจริงๆอย่างนั้ น, หนเห็นแล้วจะของอย่างนั้นไม่ใช่ว่าพูดเฉยๆนะเราเรานั่งอยู่ตรงไหนแล้วก็ไม่มีอะไรมันเกิดขึ้นเมื่อดับไปเกิดได้เมื่อดับไปเกิดดับเกิดดับไปฉะนั้นไม่าไไมอาศัยความปรุงแต่งไม่ยิ่งไปตามประมันปรุงแต่งอีกพวกคณะฆ่าเรามันคือปรุงแต่งอย่างหนึ่ง ปรุงแป่งอย่างคาะวาดหยาบๆมันก็ปรุงแต่งไปอย่างนี้อืไอ้เรื่องมันปรุงแต่งถ้าเราตามมันไปเสมอถ้าเราไม่รู้มันไปยิ่งมากไม่รู้ว่าจักอะไรมันเป็นหน้าเป็นหลังเนี่ยยังมีจิตเดิมใช่ไหมเออจิตเดิมอะไรคือเมื่อหนหลวงพ่อพูดในที่นี้คือมั น, มน คล้ายๆว่าเข้าใจว่ามีอะไรนอกจากคันฆ่านี้มีอะไรอีกคือหลงพอพูดคล้ายๆว่ามีอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเรียกอะไรจะเป็นจิตเดิมหรือจะเป็นไม่ไม่เรียกอะไรมันหมดแค่นั้นน่ะเขาเรียกว่ามันของเดิมมันหมดตรงนั้นมันหมดของเดิมมันหมดอาจจะเรียกว่าจิตเดิม่วาสมมุติก็ได้เออสมมติก็ได้ ถ้าไม่สมมุติก็ไม่ต้องพูดกันมันไม่มีคํามที่จะพูดกันเนี่ยมันไม่มีเรื่องมันของเดิมของเก่าเนี่ยไม่ไม่มีอะไรแล้วอย่างนั้นไม่ได้มีอะไรที่ได้พูดกันมันสมมติทุกอย่างอะ่ะแหละของเก่าของใหม่มันก็เลื่องสมมุติเท่านั้นไม่มีสมมุติก็ไม่ดูเรื่องกันนั่งเฉยๆก็ไม่ดูเรื่องกันอือจะให้เรารู้จักอย่างนั้นอทั้งขนาดนี้ก็ จำเป็นที่จะสมานี่หรือว่าสติขนาดไหนเฮ้ถึงขนาดนี้เป็นไงมีสมาธิขนาดนโอ้ยมันมีควบคุมไปองมันแล้วฟังนี่ไม่มีสมาธิจะทําไงไม่มีสมาธิมันมามาถึงขนาดนี้แล้วอื ม, อมขนาดที่พอดูได้พอมีปัญญาเกิดขึ้นมาได้นี่ไม่รู้จักว่าขนาดไหนเลยเว้ยจิตสงบขนาดไหนอือเอาขนาดที่มันไม่สงสัยเท่านั้นแหละเว้ย หมดเท่านั้นเนะ <laughs> <laughs> นี่ยนี่ถ้าถาม้วมันก็มันก็เป็นอย่างนั้นเนะนี่ยนี่หลวงพจิตเดิมกับผูรู้อันเดียวกันหรือเปล่าครจิตเดิมไม่ใช่ผู้รู้นี่มันแปลไปได้นี่นะผูะร้รู้นี่มันแปลไปได้คือความรู้สึกของเราเนี่ยผู้รู้นี่มันมีทุกคนผนะู้รู้อ๋อจิตเดิมไม่มีทุกคนอืมเอะ เดิมมีทุกคนมันมีมันมีทุกคนนั่นแหละแต่ผู้รู้มันมีทุกคนมันไม่จบเรื่องมันผู้รู้นั่นแหละทั้งสองมีทุกคนใช่มีทุกคนแต่ยังค้นไม่ถึงมันผู้รู้ก็ยังมีตัวมีตนหรือไม่มีไม่มีคุณรู้สึกมันนี้ไม่ใช่เงินกันมาแต่เวลานอนหลับสนิทยังมีผู้รู้หรือเปล่าเวลานอนหลับสนิท มีผูรู้รู<ะ>้เรามันมีมันก็มีหยุดเข้ามาแล้วอืมตบระวังกระจิตกับารบรรดับเลยเนาะอ๋ออนี้เป็นระวังระวังคนนอนอันนี้ออืมอันนี้อาจารย์ว่าศึกษาไปมันก็ยุ่งไปเรื่อยๆไม่มีทางจบหรอกอันน <nhiều> um. ี stadium stadium ้มันยุ ja <Kah it> <ienia> ่งไปเรื่อยๆ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 ที่ปกติรวมพ่อสอนเมื่อจิตเป็นองค์พยพิจารณาร่างกายอันนี้มันจําเป็นพอเห็นมันจําเป็นอยู่มันใหม่เขาจาเป็นเงมันพิจารณาดำงาาการสามคิสองอย่างนั้นใช่ไหมไม่ใช่คือเรื่องจิตสงบแต่ความรู้สึกพิจารณามันเกิดขึ้นมาเองของมันการพิจารณาในสมาธิเนั่น ไม่ใช่ว่าอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นอันนี้ไม่พิจารณาที่นอกจากสมาธิธรรมดาอของเราถ้าถึงสมาธิปุ๊บมันเมื่อถึงที่นั้นมันไอ้การความคิดมันจะไม่มีมันจะมีการพิจารณาขึ้นมาเทียกว่พิจารณาในที่สงบอันนั้นอย่างเราไม่นั่งสมาธิเดินไปเดินมาอย่างนี้เราเรามีความรู้สึกเรียบเทียบมันมีต่งางกันหยาบมีของหยาบมันเป็นเรื่องหนึ่งหยาบใจ ม, มันก็เข้ากันนด้ มันเข้ากันไปได้ของมันไม่รู้ว่าจะอยู่ที่ไหนแต่มันมีสติของมันอยู่อย่างไนสติคือรู้ว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นอันนี้ทำไมท่านจึงไม่โกรธไม่หลงก็เพราะท่านรู้อยู่อย่างนั้นมันมีความรู้สึกของมันอยู่อย่างนั้นเหตุที่จะให้เกิดโกรธมันไม่มีเหตุที่จะให้เกิดโลภมันไม่มีมันจะมีมาจากที่ไหน เพรความรู้สึกอันนั้นมันมีอยู่อย่างนั้นถ้ามันอยู่อย่างนั้นก็เรื่อหมดเหตุที่จะต้องทําก็คือไม่ต้องทําอะไรนะถ้าเรามีงานทําอยู่ก็ยังจิตที่จะต้องทํำเรามันมีอยู่วางไปเฉยๆวางเฉยๆไว้แล้วก็รู้จักมันอยู่อย่างนั้นไม่ต้อง ก, กําหนดต้องกําหนดของมันเองอยู่แล้วอันนั้นอย่างนั้นอื เราจะไปถามมันใช่สมาธิมันมันมีอยู่แล้วสมาธิน่ะจะไปใช่อะไรมันแล้วแต่มันมีอยู่ในรุ่นของมันแล้วมันมีอยู่แล้วแต่ว่ามันผิดมันถูกอะไรเราพยายามรู้จักแ้วก็ปล่อยวางปล่อยเสมอมันที่มันมาถึงนั่นน่ะมันจะผิดจะถูกก็ปล่อยมันจะก่อนไม่มันไม่เที่ยงไม่เที่ยงก่อนครูเหตุผลนี่มันถึงที่มันซะ ที่เขาเรียกว่าจิตเดิมเนี่ยที่ว่ามันไม่เที่ยงคือมันไม่เป็นอะไรมันจริงอย่างนั้นอคืออะไรมันไหลมาตามน้ําไหลมาไงมันมันติดแล้วก็ผักมันออกไปไหลไปถ้ากตัเมื่อไหลออกไปไหลไปอันนั้นคืออะไรมันไหลไปอะไรไม่รู้มันมาติดอยู่นี่ผักมันออกไปเท่านั้นนหะอารมณ์อ่ะผักออกไปเท่านั้นไม่หมด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 วิธีสอนของของในทางพุทธศาสตร์นั้นสอนสอนศีลเป็นเบื้องต้นนะแต่สมาธิเป็นทํากลางปัญญาเป็นที่สุดอย่างนี้เราก็จำมันได้จำมันแล้วก็ไปสอนศิลไอความเป็นจริงไอความเป็นจริงนั้นอนะ่ะถ้าเราพูดไปในคนบางคนอนะ่ะไม่ต้องสอนศีล อย่างชาวอเมริกันมันนั่งให้มันสงบไว้ทีเดียวนี่ย่าพึ่งไปพูดมันเลยหนึ่งศีลสองสมาธิสามปัญญาเนี่ยนั่งให้มันมีความสงบเท่านั้นก่อนเมื่อมีความสงบมันจะรู้สึกของมันเท่นามันมีอสราพิษตัวหนึ่งเนี่ยมันอยู่ในใต้ตรงเนี้ยผ้านี้มันปิดอยู่แล้วก็เหยียบมันอยู่ แล้วก็สบายอยู่เพราะราไม่รู้จักมันไหมอย่างนี้ศีล น, นี่ยเกิกันเนื้อตังเกี่ยวมันแต่ก่อนเพราะคนในถิ่นนั้นน่ะสอนเรื่องความสงบอย่างเดียวเท่านี้เมื่อจิตมันสงบแล้วมันก็จะแปลกกันมาของมันนะถึงไม่มีสัตว์อยู่นี้มันก็สงบอยู่เพราะมันไม่รู้จักศีลนเนี่ยก็เหมือนกันอืมแล้วไปสอนศีลไม่ต้องมานาอจินากรรมเมมุสามันไปไม่ทันอย่างไม้ตอนเนี้ยทั้งนี่ต้นมัน รังมันปลายมันต่าบอกให้สอนแต่ต้นมันมาเราจะสอนแต่ว่าให้จับปลายมันก็ได้มาถึงนี่ก็ถึงต้นเหมือนกันจับทางต้นมามาถึงนี่ก็ถึงปลายมันเหมือนกันเนี่ยเราไม่ต้องว่าอันนี้มันเปต้นสอนนี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นเรามันสมาธิก็ให้สมาธิมันีนมันสงบเรย์ละมันที่นี่ความรู้สึกเลยจับมาทางปลายก่อนก็ได้มาถึงต้น เพราะว่าต้นกับปลายมันอยู่อันเดียวกันนี่นี่จากปลายมาถึงต้นจับต้นไปถึงปลายเมื่อรู้ไม่ทอด น, นี้มันมีต้น ม, นมีปลายอยู่แล้วมันก็รู้จักนี่การพิจารณาสอนคนบางคนก็เป็นอย่างนี้คือแต่สมาธินี่มันเมื่อมันมีความสงบขึ้นมามันจะแปลกในจิตของเราเดี๋ยวค่อยคปัญญามันค่อยค่อยซึมและมันก็เห็นความรู้สึกผิดถูกมาเจนน้อยๆ สิ่งทั้งสามอย่างมันหมุนเย็นกันอย่างนี้จับตรงไหนก็เห้ยหลักของมันเป็นอย่างนั้นแต่หลักเก่าของมันจะสิ้นสมาธิปัญญาอย่างนี้ไม่เอาไม่เอาไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้มันไม่ได้การความรู้ของคนมันเป็นอย่างนั้นอย่างพวกเมืองนอกของเรามันนั่งให้มันสงบมันมันเคลียร์มาให้มันสงบความสงบมันเกิดไปมาอาการของความสงบมันจะพารูกสิบของมันอืม ทำๆเลยเกิดไปแล้วมันอยู่ไปอย่างไม่มีปัญหาคล้ายๆเทว่ามันมีสิ่งอะไรจะครัวมันก็สงบอย่างอสราพิษมันอยู่นี่เราวมัเห็นมันอืถ้ามันสงบแล้วเราไปดื้อขึ้นมาเห็นเห็นอสราพิษอยู่ตรงนั้นมันจะเห็นสีนทิ้งเออมันครวมันก็เห็นสินเนี่ยมันจะเปรียบอย่างนั้นเมื่อความรู้สึกเกิดขึ้นมามันก็เปลี่ยนไปใหม่มันมันรอบอันเดียวกันนั่นเองอันนี้มันเป็นอุบายของคนที่ัะสอน หนาตุกลีบมาแล้วเนะี่ยเห็นไหมพอดีฮะ <c oughs> อกขอบเขตขอบมันไม่เคยรู้จักอะไรมันมาตามเชิญนบท์มันก็เห็นไก่พ่ออะไรตรงนั้นนี่ยพ่อเห็นเป็ดก็พ่ออะไรเห็นหมูพ่ออะไรตรงนั้นเน่ยเลยอุยพ่อเลยขี้เกียจจะพูดพูดไปแล้วก็ถามเลยเพราะมันไม่เคยเห็นมันเห็นใหม่ๆเนี่ยนานๆพอไปถึง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 มันเป็นอะไรอย่างนั้นอืมอันนี้ก็เหมือนการอืมฉะนั้นก็ให้ดูตัวเองให้มันมากๆนะอืมอืมให้ดูเจ้าของเองให้มันมากม า, กมากเรื่องชาคารโอถูกแล้วบอกมันโกอกตัวเองหรือเปล่าเนี่ยก็เรียกว่ามันดูตัวของเราเลยอืมดูตัวเขาวันนี้มาหาคนหนึ่งห้าประโยคอืมาให้รถตะมลให้มันกินเหล้ามาอยู่ อยากจะหยุดเรามาให้รดน้ำมนให้ดูที่มันไม่ใจมาหาหนิเว้ยเนาะไม่ดูเรื่องเราทําเองดูจากที่ผิดมันอยู่ไม่แก้ไขนี่อยากจะเอาน้ามารดน้ำมนโอ้ยน้ำมนไม่มีมังม่งวันนี้พระไม่ได้ทงน้ําร้อนน้ำมนเดี๋ยวนี่ต้องทงน้ําร้อนเดือดๆ อ, อย่างนั้นมันถึงดีรดนี่มันหนังรอ ก, อ, อกกันนะ่ะ ให้รูเรื่องมาหาห้าประโยชน์อ่ะเรากินเหล้าอยากจะหายเมาอยากจะหยุดเอาไม่ได้อยากจให้อาจารย์มารดนมวนให้เพราะว่าน้ำวนไม่มีบันนี้ไม่ได้ต้มอิสโรมไม่ต้มน้ารอดมันพูดไปแล้วมันก็เป็นเรื่องของอย่างนั้นก็เลยมันไม่ค่อยอะไรเฉยอืม แต่ว่าให้เราตามดูของเราอย่าหยุดนะที่เราเองเนะี่ยตามดูจิตของเราตามดูความรู้สึกของเราตามดูความปรุงแต่งของเราไอ้ความเป็นจริงสิ่งที่มันดูสึกนึกคิดทั้งหรามันเรื่องปรุงแต่งถึงนั้นอืมถ้าพูดง่ายๆว่าอย่าไปวิ่งกับมันอย่าไปวิ่งตามมันเลยมันเป็นเรื่องปรุงเรื่องแต่งัึงนั้นน่ะอืม เป็นปุงแต่งมันเป็นเครื่องปุงจิตแตสังขาร น, นี่อืมสังขารคือจิตจะมันปรุงแต่งเพี่ยเอายางนั้นเนี่ยเอาย่างนี้เนยเอาอย่างนี้เนี่ยเอาอย่างนั่นบางทีอันนี้ไม่ชอบทิ้งอีกอีกสามวันู้อันนี้ดีมันการไปเก็บมาอีกก็ได้ดีดีเอามาอีกดีอีกสองสามวนูนไม่ดีอีกแล้วทิ้งอีก เหมือนพันกะเด็กที่มันเห็นไก่เนี่ยอะไรพ่อเห็นเป็ดี่อะไรแม่อะไรมุ่นทั้งนั้น ม, มันก็ลาบากเดี๋ยวนี้อยากจใจพยักธรรมกำหนดตามอาการที่มันเกิดขึ้นมา ม, มันเป็นของอะไรที่ไม่แน่นอนสักอย่างหนถ้าเห็นอะไรที่มันไม่แน่นอนสักอย่างอย่างชัดจะหมดหมดสงสัย ทำไมทุกคนตกใจวามันไม่แน่สักอย่างหนึ่งเลยไอ้ความคิดอะไรเกิดขึ้นมาก็ดูว่ามันนั่นนี่มันก็ไม่แน่จะไปหมายมั่นมันกงหมดเท่านั้น อ, อ, อืมไม่หมดทำใหมม้มันหมดมันก็หมดก็เท่านั้นอืมอ ม, อ ม, มันเป็นเรื่องปรงแต่งเรื่องสังขารถ้าเราไม่รู้จักเข้าใจ ม, มันเป็นเรื่องของปัญญาอืม นิ่งตามมันไปเนี่ยมันพาเราไปทุกเนี่ยถ้าเป็นปัญญามันจะพาเราไปทุกไหมอย่างนั้นแต่มันก็เป็นเรื่องปัญญาให้เกิดให้ดูให้เห็นเห็นการอย่าไปนึกว่ามันอยู่ไกลสิ่งทั้งหลายเหล่านี้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 ความรู้สึกนึกคิดคนคว้าจะทำอะไรดีเนาะวิธีเซนเขาสอนอย่างนั้นผมไป ด, ดูแหละนั <c oughs> ่นก็แปลกมันกันถ้าไม่เกิดปัญญานั่นน่นนะน่ะไม่เกิดปัญญาถามตอบตอบก็เทียนผิดถูกไม่รู้เรื่องตอบผิดไม่ผิดไม่รู้เคลียน์ทั้งนั้น หยุดไม่ตอบเล ย, ย, ยเฉยๆก็เครียด <c oughs> สุดแล้วจะทําอะไรต่อไปอีกมันสุดแล้วทีนี้ต้องทำนี่มันมันก็พิจารณาขึ้นมาดิจะทําอะไรดีนาะอย่างนี้นอันนี้วิธีขเขาต้องดีนะดึกรับนะนึกรับดีกันแต่พวกเราก็ดีว่าอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นอันนั้นมันเป็นอย่างนั้น รู้ไปรู้ไปรู้ไปรู้คนอื่นบอกนะเดี๋ยวกไม่รู้อีกอย่างนี้ถามอีสงสัยอีกอยู่ยเลยมันเป็นเรื่องของอย่างนั้น <c oughs> ฉะนั้นก็ยิ่งบอกอะไร ย, ยิ่งไม่รู้เท่านั้นทำไมจริงจริงมันจริงไม่รู้อะไรมันบังไอความรู้นั่นแหะมันบังน่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่รู้มันบงังด้วยน่ะ ฉะนั้นยังไงค้นเข้าไปจริงๆจริงในนั้นค้นเข้าไปค้นเข้าไปจะเห็นเห็นสิ่งที่ละเอียดสิ่งอะไรที่มันละเอียดดีแล้วละเอียดมากได้เกินเนี่ยอาจารย์สิ้นไม่เอานะ่ะไม่ไมเอาละเอียดก็ไม่เอาตีทังนัะอยดทั้งนั้ละเอียดมันก็ยังอยู่นี่น่ะไล่ให้มันออกออ่ะหมดบนทางเลย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 เดี๋ยวผมทำเดี๋ยมันเป็นอย่างนั้นผมทําเดี๋ยมันเป็นอย่างเงี้ยยิ่งไปกันใหญ่นั่งไปแล้วมันเห็นสีเหลืองสีแดงสีนวลสีนี่สารพันอย่างที่จะมันเปลี่ยนไปพอเช่มาเล่าอาการเรื่องสมาธิให้ผมฟังหนมผมเป็นั่งอยู่เฉยๆจ้ะเด็กมันถามเรื่อยไม่หยุดคือมันไม่รู้จักมันเป็นเหตุที่เด็กมันจะต้องถามอย่างนั้นก็เพราะมันไม่รู้ ทะเลกันโตกันมาแล้วมันก็รู้จักเองมันไง